ตกเช้านี้ก็จะเล่านิทานเซนให้ให้ฟังชื่อว่ามองกลับด้านแบบเซนเซนเขาจะมีวิธีมองไม่เหมือนกับทั่วทั่วไปคือจะมองเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจให้ความสาคัญมากกว่าพิธีตองซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่จะติดในพิธีตองแล้วไม่ค่อยมองเรื่องจิตเรื่องใจ ทำให้เสียเวลาเนิ่นช้าหรือไม่ก็ไปยึดถืองมงายไปก็มีมีเศรษฐีคนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเศรษฐีคนนี้ร่ำรวยมากแล้วแกก็วิตกกังวลว่าถ้าตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็ลูกหลานจะทำไงพอวิตกกังวลงมากเลยอะนึกขึ้นมาได้จึงนิมนต์ หลวงพ่อสินไกยซึ่งถือว่าเป็นกิติอาจารย์ชื่อดังของญี่ปุ่นยุคนั้นเพื่อมาม า, ส ร, าสร้างสีมงคลที่บ้านพ่อสินไกยก็มาที่บ้านเศรษฐีวันนั้นอบอุ่นไปด้วยญาติพี่น้องลูกหลานแหละคือเป็นครอบครัวใหญ่และเพื่อนบ้านด้วยเศรษฐีก็เอากระดาษอย่างดีเลยเพื่อให้หลวงพ่อสินไกย เขียนมงคลเพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่าเป็นสุขแล้วก็มีพอ่อกระพับยิย่งขึ้นหลวงพ่อสินไกรรับม้วนกระดาษมาก็บรรจ ong ตวัดผู้การเขียนเลยเขียนไปสามแถวเขียนเสร็จก็ส่งให้เศรษฐีเศรษฐีอ่านข้อความนั้นแล้วโกรธมากเลยบอหลวงพ่อกระผมนิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อให้ เขียนสี่มงคลให้กับครอบครัวผมทำไมหลวงพ่อถึงล้อเล่นกันแรงขนาดนี้คือใจความในกระดาษก็คือเขียนว่าให้พ่อตายลูกตายแล้วก็หลานตายหลวงพ่อศิีไกรบอกไม่ได้ล้อเล่นเพราะถ้าเกิดให้พรจากอื่นเนี่ยมันก็เป็นเป็นให้พรเท็จไงให้ร่ำให้รวย ให้อายุมันขวัญยืนอันนี้มันขัดแย้งกันอะ่ะมันเพี้ยพรจริงนะเพาะความตายเป็นสิ่งที่จริงอันนี้เป็นสิริงมงคลที่แท้จริงและส่วนใหญ่คนที่ตายเนี่ยก็ไม่ตายตามอายุบางทีลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่เนี้ยพ่อแม่ก็ต้อมางานศพก็ทุกข์ใจอกีกหรือหลานตายปู่ปู่ญาติยายก็ต้องมางานศพก็ทุกข์ใจอกีก ปัญหาครอบครัวไหนที่ตายตามอายุเนี่ยยากมากฉะนั้นอันนี้คือสิทธิมงคลสุดยอดเลยคือตายตามอายุหลวงพ่อก็เลยให้พรแบบนี้แหละเพื่อให้ครอบครัวโยมเนี่ยมีความสุขมีความเจริญไม่ต้องทุกข์ใจกับการตายรัดอายุไงเรื่องนี้ก็จบไปด้วยดีอันนี้เป็นสิทธิมงคลแบบเซนนะกับด้านเรื่องต่อมาเกิดที่ประเทศจีนมีวัดเสด็จแห่งหนึ่ง มีที่พระอยู่สองรูปแบบไปพี่น้องกันผู้พี่เป็นเจ้าวาดเป็นพระที่คงแก่เรียนมีสติปัญญามากผู้น้องเป็นพระแบบเพี้ยนๆตาบอดข้างหนึ่งแล้วเป็นขุเจ้าลมอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระขุน ก, กะมาเยือนมาขอพักตามกฎของวัดเซนเนี่ยผู้ที่มาพักจะต้อง โตธรรมะชนะเจ้าบ้านถือมีสิทธิพักเพราะสมัยนั้นเนี่ยท่านรัชดาตรวจดูว่าพระเนี่ยเป็นพระปลอมหรือเปล่ามีความรู้จริงหรือเปล่าจึงไปกดขึ้นมาเนพระอรุกะถึงต้องโตวาทะกับเจ้าบ้านเจ้าวานอยากให้พระครุกะพรักจึงให้พระน้องชายเนีที่เป็นเพี้ยนเนี่ยไปโต้วาทะโดยโตพิษสถาธถนแบบเงียบนะห้ามออกเสียงหายไปสักพักหนึ่งพระครุกะ ก็กระือกระหอบมาบอกผมขอลาแล้วน้องขออาจารย์เนี่ยอุชลาดมากเลยผมแพ้แบบรับคาบจึงต้องขอลาไปพักที่อื่นพาผู้พี่งงเพราะว่าน้องตัวเองบัญยาทึบจะโตธรามชาะได้ยังไงซึงเอ่ยถามว่าเอา้าท่านน้องผมเนี่ยชนะได้ยังไงเนี่ย เล่าหฟังหน่อยสิภาพกากก็กเล่าท่าเจอหน้ากันเนี่ยผมก็ชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาความหมายก็คือพระพุธร้องท่านชูสองนิ้วหมายถึงมีพระพุทธแล้วต้องมีพระธรรมด้วยผมชูสามนิ้วหมายความว่ามีพระพุทธพระธรรมแล้วต้องมีพระสงฆ์ด้วยน้องท่านเนี่ยเงียบ แล้วก็มองผมนั่นน่ะตาขึงขังแล้วก็ชูกำปั้นขึ้นผมก็เข้าใจว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารวมมาแล้วต้องเป็นพลันทัตใจต้องเป็นหนึ่งผมเลยแพ้ราบคาบเลยแล้วก็กราบลาไปอย่างล้วนสักพักหนึ่งพระน้องชายก็วิ่งกระหืดกระหอบมาไหนไหนไมาอยู่ไหนขอตะบันหน้าซะหน่อยสิพระี่ชายงงเอา้าชนะแล้วทำไมต้องต้องทําอย่างนี้ เราให้ฟังเปนเรื่องอะไรหนอยมมาถึงมันก็ชี้หนึ่งนิ้วบอกว่าผมเนี่ยมีตาข้างเดียวผมเห็นว่าผมเป็นเจ้าบ้านนะก็เลยให้เกียรติก็เลยชูสองนิ้วบอกคุณโชคดีที่มีสองตาหน้อยมันยังมาเยอะๆถักถา ง, างมอีกมันชูสามนิ้วบอกว่าสองคนมีสามตาตอนนี้ผมเหลืออดแล้วโกรธมากจะชูก บ, บ้านขึ้น จะขอโชคปากมันเท่าน่อยเนี่ยมันก็เลยเดินหนีจะตามหาอยู่เนีย่ยพระพี่ชายเลยรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นคือสองคนเนี้ยคิดคนละมุมเลยนะพระน้องชายเนี่ยคิดเดบุมด้วยตัวเองอะ่ะว่าใครจะมล้อเลียนตาตัวเองหรือเปล่าที่ตาบวชข้างหนึ่งอะแล้วคิดจะทางลบๆไงไอ้ส่วนพระอนุกะเนี่ยคิดจะทางบวกไนงะคือเป็นคนบ้านธรรมะในสมองก็มีแต่พวกนิพพานอนัตตาหรือธรรมะขั้นสูงหลุดพ้นอะไรพวกเนี้ยก็คิดอีก ไคอลอดลิขิตลทางเลยสองคนนี้จะเป็นอุทาหรณ์ว่าบางครั้งคนเราเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่คิดไว้เหมือนกันหรอกต่างคนต่างคิดต่าคนต่างนึกบางทีก็ถึอสาหาความก็ไม่ได้หรอกอยู่ที่เราสะสมวิธีคิดแบบไหนบางคนก็คิดแต่เรื่องบุญกุศลบางคนก็คิดแต่เรื่องบาปอย่างเดียวเลยคิดบุญไม่ได้ก็มีบางคนคิดธรรมะบางคนคิดธรรมะไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่พื้นเพจิตใจ ที่ตัวเองชอบอ่ะแหละคิดในสิ่งตัวเองชอบเรื่องที่ไปอยู่ทาหอนเรื่องต่อมามีชายหนุ่มคนหนึงตั้งใจว่าจะเป็นนักสบู่ลายที่เก่งพ่อก็แก่มากแล้วอยากเป็นสมู่ลยที่มีฝีมือ ด, ดีเพื่ออวดพ่อจึงไปหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดของญี่ปุ่นแนหะอาจารย์ที่เก่งๆมีไม่กี่คนหรอ ฉันเจออาจารย์ก็เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วบอกว่าถ้าผมฝึกเต็มที่เนี่ยจะใช้เวลากี่ปีครับอาจารย์บอกเจปี7ูปีนี่นาช้ยหนุ่มนี่คิดหนักเลยถ้าผมทุ่มเทมากกว่านี้จะใช้เวลากี่ปีครับอาจารย์ตอบด้วยสีน่ารับเรียบ 14- ีปีอูหนักกว่าเดิมอีก7ปีก็นานแล้วนี่กลายเป็นบีใปีช้หนุ่ม เส็งหนักเลยมันจะทำไงแล้วถ้าผมทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่าเดิมอะ่ะเป็นสองเท่าเพราะผมอยากฝึกให้จบเพื่อจะได้ให้พ่อเนี่ยมีความสุขก่อนที่ท่านจะสิ้นลมใช้เวลากี่ปีครับอาจารย์บอกยี่บปีคำตอบนี้ทำให้ชายดุ่มนะท้อแท้หมดกำลังใจเลยแต่จะไปหาอาจารย์เก่งกว่านี้ก็หายากไม่หาที่ไหนจำใจต้องอยู่กับอาจารย์ อยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ยอมสอนตะบูไล่ไม่ยอมสอนวิชาแล้วนั้นแหละให้ไปหุงข้าวผ่าฟืนหาบน้ําอยู่โรงครัวแหละคอยช่วยอาจารย์ทําครัวไปผ่านไปหลายเดือนเหมือนกันจนชายหนุ่มลืมเรื่องมาฝึกแล้วอาจารย์ก็คอยย่องเข้ามาแล้วใช้ดาบไ ม, มา้จะ ต, ต, ต, ต, ตีแล้วก็ฟันชายหนุ่มจะหลุดเลยแต่เขาตีอาจารย์ตีจริงนะชายหนุ่มก็เจ็บสิ ไม่มีทางเลือกก็ต้องหาอาวุธข้างตัวแหละฟื้นบ้างอะไรบ้างมารับดาบไม้อุจจารุหมดพอตีจะดน้ำใจแล้วจางก็กลับไปใช้หนุ่ก็ต้องระวังแล้วบางทีอาจารย์ก็ย่องมาตอนกลางคืนนอ น, นอนอยู่ว่าตีทั้งที่นอนนั่ น, นแหละช้หนุกก็เจ็บตวัวโดนไปบ่อยเข้าวจันก็ระแวงทีนี้นก็ตื่นรัวร่อยเวลาพออาจารย์ตีไม่เป็นเวลานะบางทีมาตีหนึ่งตีสองมากลางคืนอย่างเงี้ยกลางวันเช้านึกจะมาก็มา มาถึงก็จูจ่โจมฟันตีทันทีด้วยการที่จิตตื่นตัวเนี่ยช้ยหุ่มก็เลยมี ส, สัญญาของสบูไลสัญญาของนักดาบก็เลยต้องป้องกันตัวตลอดอาจารย์มาทางไหนก็ต้องรับอาวุธมันแค่เจ็บตัวไป ม, มาเลยกเก่งแบบอัตโนมัติเลยแลยังจนั้นก็ใช้เวลาไม่นานก็จบหลักสูตรและชายหนุ่มนี้ก็เป็นยอดสบูไยคนหนึ่งกลับไปพ่อชื่อโจมฟันสำเร็จได้ อันนี้คือเรื่องยิ่งรีบยิ่งช้าอาจารย์ก็สอนแบบเซนนะสอนแบบไม่ให้รู้ตัวไม่ให้ตั้งตัวสอนแบบคลายไม่ถึงนะ่ะวิธีสอนแบบนี้เหมือนกับจิตสู่จิตแล้วแหละสอนแบบนอกรูปแบบอันนี้ก็แง่คิดเป็นกันว่ายิ่งฝึกแต่ถ้ายิ่งรีบกว่ายิ่งช้าเขไม่รีบกับสําเร็จเร็วเรื่องต่อมาเรื่องนี้เกิดที่ประเทศจีนมีอาจารย์เซนชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าลินไซ ลินไซก่อนที่จะเห็นธรรมน่ยก็เป็นลูกศิษย์อยู่กับครูบาหวงโปรอยู่มาต้องหลายปีก็ยังไม่เห็นธรรมแต่อย่างไรทั้งที่ลินไซปฏิบัติเข้มนะตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมฝึกตัวเองหนักมากอยู่บาวันนึ่งจึงเข้าไปถามครูบาหงโปรว่าพุทธธรรมคืออะไรครูบาหงโปมองหน้าลินไซ แล้วก็ใช้ไม้ตโาโพสตีที่ไหล่ขวาอย่างแรงหนึ่งทีลิ้นไสก็เจ็บก็ก็กลับไปไม่รู้หรอกก็โดนอาจารย์ตีเรื่องอะไรวันต่อมาก็ไปหาครูบาหวงโปโ อ, อีกถามเรื่องเดิมไแหละแก่นพุทธธรรมคืออะไรก็โดนครูบาหวงโปตีด้วยไม้ตาโพสที่ไหลซ้ายอย่างแรงอีกหนึ่งทีก็มืนก็กลับไปวันที่สาม ไปหาครูบาหงโปใหม่ถามแบบเดิมมาแหละแก่นพุทธธรรมคืออะไรทีนี้ครูบาหงโปใช้แม่ทัพตีที่หัวเลยหัวโนเลยดินใจน้อยใจมากที่บอกโอ้อาจารย์เนี่ยถามสัมมาฯ ก, ก็ไม่ตอบแถมมาตีโดนไปสามทีแล้วร้อยออกน้อยใจเลยไม่อยู่เลยเดินไปหาเพื่อนของครูบาโปที่สํานักอื่น เดยนด้วยการติดอารมณ์แหละคืออารมณ์น้อยก็ต่าใจอยู่อยู่โดยอาจารย์เตี๋ยใคาไม่ถึงสํานักของเพื่อนครูบาฮวงโปก็ทักทายกันอาจารย์ทานิชืว่าตาอยู่อาจารย์ตายูก็บอกว่าโออย่าไม่ถือสาคนบ้าอย่างฮวงโปเลยพอคําว่าไม่ถือสาคนบ้าปุ๊บเนี่ยลินไซเกอร์ซตุลิเลยหลุดเห็นทําเลยก็ผักอาจารย์ตายู่อะ แล้วก็รีบเดินกลับสํานักไปหาครูบาหุงโปโแบบไม่รู้จักเนี่ยจักเหนื่อยนะตอนนั้นครูบาฮงโปกำลังสอนลูกศิลป์อยู่ที่สํานักกันแหละพอถึงเจอหน้าก็ทักทายลินไซไม่พูดภาษาสัมเพงเดินไปหาใกล้ๆอาจารย์แล้วก็ตบหน้าอาจารย์หนึ่งชาติครูบาฮงโปก็เอ่ยขึ้นว่าไอ้ที่บังอาจ น, นักบังอาจมัารุมจวบเสือจากนั้นลินไซก็ ก้มลงเลียที่ตีนของคัวฮงโปเนีเ่ยเลียแล้วเลียอีกเรื่องนี้ก็จบไบแฮปปี้เป็นการสอนแบบเป็นปริศณาธรรมนะเพราะเพราะเซนเนี่ยเขาสอนแบบจิตสู่จิตไงก็ เ, เลยใช้ไม้ตีตีเพื่อให้รู้ว่าเจ็บหรือเมื่อปลดเปื้องตัวเองจากความคิดปรุงแต่งปิดเปื้องตัวเองจากทุกข์น่นแหละซึ่งการพูดธรรมจริงก็คือตัวรู้รน่หละพอคนเราส่วนมากอยู่กับตัวหลงไนงะ พอรู้รู้พุทธแล้ปุ๊บความหลงก็หายไปไอันนี้คือปิศาธรรมที่ครูอมสอนลินไซให้จิตตื่นจากความหลง จ, จิตตื่นจากหลับอ่ะเรื่องต่อมาเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นมีสบุรไลคนหนึ่งสงสัยเรื่องนรกสวรรค์อาจจะไปถามใครก็กลัวถูกหาว่ากงงายจึงเดินทางไปหา อาจารย์ฮาคุอินครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง隆ดังของญี่ปุ่นยุคนั้นใครไปถึงก็ถามถามอาจารย์เลยว่านารกสวรรค์มีจริงไหมแทนที่อาจารย์ฮาคุอินจะตอบดีๆกับมองหน้าสมุไรแล้วก็ถามว่าเจ้าเป็นใครมาอย่างไหนอ๋อผมเป็นสมุไรครับ จาวินกัมพูชาแบบยอดอยนบถังถา ง, างหน้าจาของเจ้าเนี่ยเหมือนคนอมโลกผอมไร้ราศีเจ้านายคนไหนมีเจ้ารับใช้ถือว่าตาถั่วโง่มากผู้ทดลองหยามหยันน่ะสบรายหนุ่มก็จับมือจับมือไปที่ด้ามดาบทำท่าทำท่าจะจับจะชักไนะ อาจารย์ฮอวีก็เหลือบมองไปที่ดาบอะอ๋อมีดาบด้วยเหรอดาบของเจ้าเนี่ยคงเป็นขี้สนิมเถอะฟันคอข้าไม่ขาดหรอกพูดจาถักถางอีกตอนนี้สมูไลหนุ่มเหลืออดแล้วดึงดาบออกมาอาจารย์ฮาวีตอบด้วยน้าเสียงราบเรียบว่าประตูนรกเปิดแล้วใช้ยหนุ่ได้สติขึ้นมาเอาดาบเก็บแล้วก้มกราบอาจารย์ฮาวีอาจารย์ฮาวีตอบว่าประตูสวรรค์เปิดแล้ว อันนี้ก็คือ น, นรกสวรรค์แบบฉับพลันเลยโดยจากการทดสอบจากจิตสุจิตจริงๆเพราะคนเราถ้าโกรธเนี่ยเหมือนกับลงนรกแล้วพอเราน้อมน้อมคิดเรื่องดีเราประตูสวรรค์เปิดแล้วอันนี้เห็นได้แบบฉับพลันเลยไม่ได้ดูจากหนังสือเพื่อสอนจากหนังสือเนี่ยอารมณ์มันไม่ได้สอนแบบนรกสวรรค์อย่างนั้นอันนี้ทางเซนถ้าเราพิจารณาดีเนี่ยถือว่าเป็นการสอนแบบฉับพลัน โกรธก็โกรธจริงเห็นนรกเห็นจริงๆเลยสุดแล้วนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเราเลยแหละนรกสวรรค์ตอนตายเราอะไรก็ไม่รู้หรอกจะเกิดขึ้นแบบ ไ, ไรถ้าเราคิดดีเราก็ไปสวรรค์คิดชั่วก็ลงนรกถ้าเราไม่คิดไม่คิดหลุดจากความคิดเราก็ไปมาผลที่พานะสมัยก่อนผู้พูดก็อยู่สวนโมกนะเคยอ่านหนังสือ เซนเล่มแรกน่ก็คือคำสอนของเวลงังถึงแปลโดยหลวงพ่อพุทธธาตุตอนนั้นไปพระใหม่ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะอะไรหรอกอ่านหนังสือเล่มนี้มันเป็นสะดุด ต, ตรงที่คำคำสโลกไงเ พ, พราะว่าสางาปริยายกองค์ที่หเนี่ยต้องการแต่งตั้งองค์ที่หต่อไปไงคือจะมอบบาทจีบรให้ก็เลย ประกาศให้พระในวัดเขียนสโลกสิทธิพี่ในสำนักคือชินเชาวอ่ะก็มาเขียนสโลกไว้ว่ากายคือต้นโพใจคือกระจกเงาอันใสเราต้องระมัดระวังคอยเช็ดถูอยู่ทุกๆชั่วโมงเพื่อแม่ฝุ่นละอองหลงจับสโลกนี้คนที่อ่านก็ชอบนะ เพราะว่าเป็นโลกที่มีกายมีจิตแล้วก็มีการทำความเพียรมีการลดลักยินเลนแต่ตัวของชินชาว่ า, าเข้าไปถึงธรรมะพอไว้หลังตอนนั้นที่ทำงานอยู่ที่โรงครัวแหละเป็นคนผ่าฟืนหาบน้ำมาทำช่วยโรงครัวตามข้าวสารพัดได้ยินคนท่องโลกนี้เข้าถึงอยาก เขียนสโลกบ้างตัวเองก็อ่านหนังสือไม่ออกก็เลยบอกให้คนที่ยืนดูช่วยเขียนให้ใจควา ม, ม็นสโลกเขียนไว้ว่าไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดทุกสิ่งล้วนว่า ง, างเปล่าฝุ่นจะลงจับอะไรผู้พูดอ่านถึงสโลกนี้จิตเราก็รู้สึก แปลกๆขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเราไม่เคยเจอคำพูดแบบนี้มาก่อนสะดุดสะดุดกระสโลกเนี่ยคือจิต น, นี้หมายถึงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะตัวตนเนะี่ไม่มีจิตดมแท้ไม่มีตัววมตนแต่ความคิดที่เราสะสมมาเนี่ยมันสร้างตัวตนอัตตาขึ้นมาไงทำให้เรายึดทำให้เราแบกบและมีการทำคําเพียรมีการปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละต่างๆสิ่งที่เรายึดไว อตัวตนเพื่อมัละตัวตนแต่จิตเดิมแท้มันไม่มีตัวตนแต่ต้นแล้วไม่มีการละไม่มีการอะไรทั้งสิน้นพอพอไม่มีตัวไป่ตนเนี่ยกิเลสมันก็ไม่มีที่ตั้งอันนี้คือใจกว่าของสโลรกนะซึ่งก็ไปธรรมะขั้นสูงคนเข้าใจา ย, ยากพระเถระว่าเลยจะสอนแบบค่อยทําตามระดับขั้นไงให้ทานรักษาศีลแล้วภาวนาตามขั้นตอนไงแต่ของเซีนที่ไม่เลยเสียนนั้ยิงไปที่จิตโดยตรงเลย ยิงไปที่จิตเดิมแท้เพื่อเข้าสู่ความว่างอนัตตาถ้าเราไม่ยึดถือตัวตนเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ทุกขไปเยอะหรอกถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยขนาดเราทุกข์ติดอารมณ์โกรธโลภหลงต่างๆเนี่ยเกิดจากเราเนี่ยติดอารมณ์ยึดตัวตนนั้นเลยถ้าเราไม่มีตัวมีตนอารมณ์ต่างๆก็ามาตั้งไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ ทุกอารมณ์ที่มาทําเราทุกเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากอารมณ์นั้นนั้นนั้นแหละว่าเราได่ยึดตัวตนแล้วเราต้องฝึกบ่อยๆฝึกจากความทุกจากอารมณ์ที่เราติดนั่นแหละถ้าอยากพ้นทุกเราก็ต้องมายึดถือตัวตนแล้วแหละเพราะตัวตนเป็นตั้งความทุกอันนี้ก็เป็นหลักเข้าใจง่ายๆถ้าใครยึดตัวตนมากคน้ก็ทุกมากใครยึดตัวตนน้อยคนก็ทุกน้อยถูกด่าก็ไม่ค่อยแรงอะไร ถูกดินทาก็ไม่ค่ยถือสาถ้ามีตัวตนเยอะนี่หนักแล้วหนักมากเลยยังไม่ทันจะว่าก็โกรธแค้นแล้วหรือก็เรายึดหรือ ย, ยึดนี่เป็นของเราแหละทั้งที่ในโลกนี้เรายึดอะไรไม่ได้เลยมีแต่ยืมใช้ชั่วคราวนั่นแหละทุกอย่างเราตายไปก็คือธรรมชาติหมดไม่มีของเราจริงเลยทักอย่างเดียวถ้าคนไม่เขา้าใจธรรมะก็จะยึดขันห้าตัวเองไม่พอยึดรูปนามตัวเองไม่พอจะไปยึดขันห้าคนอื่นยึด รูปนามคนอื่นอีกยึดแต่จริงมันก็ยึดไม่ได้หรอกก็ต้องทุกข์แล้วก็มีปัญหาล่าไปนั้นมม ร, รมะแบบเซนแล้วก็คือมองกลับด้านมองเข้ามาที่ด้านในพอมองด้านในปุ๊บมันก็สามารถผลจากทุกข์ได้เร็วแต่มาเห็นว่าพูดมาก็สมคือเวลาสุดท้ายเรียขอ ญ, ญาตโยมมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง